ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะพอฟังคําเชิญชวนของพระสารีบุตรเทระแล้วต่างก็ถือบาตรจีวรของตนของต น, งตนสมัยนั้นมันไม่มีมหาบริขารแบบสมัยนี้มีแต่บริขาร8ดนั้นเก็บรวบแฟบเดียวก็เสร็จหมดแล้วเนี่ยนะก็เลยไม่ค่อยยากไม่ต้องจ้างรถบรรทุกมาเมาลําอะไรขนของออกไปเนี่ยนะไม่ต้องแล้วมันสบายมากนั้นก็มีแต่บาตรมีบริขารแปดมีบาตรมีจีวรมีอะไรอยู่ไม่กี่ชิ้นอ่ะนะแล้วก็ถือเอาบาตรจีวรของตนของตนเสร็จ ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะมีกิเลสอันทาลายแล้วกิเลสก็คือกำจัดความเศร้ามองเสร็จสิ้นหมดจากใจของท่านท่านเป็นผู้ที่ไม่เศร้ามองเลยนะกิเลสแปล ว, ว่าความเศร้ามองไม่มีความเศร้ามองเหล่าใดที่จะทำให้จิตใจของท่านขุนมัวและเครื่องผูกทั้งหมดท่านตัดขาดหมดแล้วเหมือนอะไรเหมือนช้างใหญ่ที่สวมเกราะดีแล้วฉะนั้นเนะัท่านเนี่ยตัดตัดความผูกความเยื่อใย คือท่านเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างจริงๆพระพิสุสมัยพุทธกาลด้วยนะอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอย่าไปคิดว่าบอกลาโยมก่อนนี่ไม่มีทางมันยากเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะบอกลาก่อนแล้วค่อยไปนั้นอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะท่าบอกว่าท่านนึกอยากไปแล้วท่านก็เก็บบาดเก็บจีวรท่านก็ไปของท่านแล้วบอกท่านไม่ใช่เที่ยวสั่งลาจัดงานเลี้ยงอำลาอะไรไม่มีสักอย่างนนั้ท่านก็บอกถึงเวลาท่านก็ไปเรื่องของท่านไปพันท่านก็ ไม่มีเครื่องผูกมัดผูกพันเหล่าใดเนี่ยนะแล้วก็ใจไม่ขุนโมด้วยเนะียไม่ใช่ทําด้วยอะไรด้วยโทสะด้วยชัน ท, า, ทาคติโทสะคติโมหาคติหรือพยาคติด้วยอคติเหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่มีเครื่องกิเลสเป็นเหตุให้ผูกพันกับสิ่งเหล่าใดของท่านก็ไม่มีเพราะท่านดํารงอยู่ในกถาวัตถุสิบ ป, ประการเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มักน้อยเนี่ยนะมักน้อยมักน้อยในปริยัติมักน้อยในปัจใจสี่มักน้อยใ น, ยยธนอธิคม ท่านเป็นผู้สันโดษสก็คือยะถาลาภะสันโดษยาถาสารุประสันโดษยาถายาถาลาภะยาถาภะละยาถาสารุประสันโดษสาคูณปัจจัยสี่ก็คือท่านมีสันโดษ ส, สิท่านสงัดคือท่านมีกายวิเวกจิตวิเวกและมีอุปธิวิเวกท่านไม่คลุกคลีด้วยการเห็นด้วยการฟังเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรพยายาม มีวิริยะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเข้าพระสมมาบัติเป็นต้นท่านนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลทั้งที่เป็นโลกิยะศีลโลกุตระศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิทั้งที่เป็นโลกิยะสมาธิและโลกุตระสมาธิท่านมีปัญญาทั้งสุตตามะยะปัญญาจินตามะยะปัญญาภาวนามายะปัญญามีทั้งวิปัสนาปัญญาและก็มีโลกิยะปัญญาพร้อมทั้งโลกุตระปัญญาท่านเหล่านั้นมี ตะทางขาวิมุตติวิคัมพนะวิมุตติสมุทเฉทวิมุตติปฏิปสัสสติวิมุตติแล้วก็นิสระวิมุตติมีปัจจเวกขณะยานเรียกว่าวิมุตติยานทานาัศนะเป็นผู้ที่ละเอียดละออทีท่วนทุกอย่างเลยนะท่ารหัรทั้งหมด5้า้อเหล่านี้ก็มาประชุมกันภาษาคีติก า, ารย์ก็เลยกล่าวว่าภิกษุเหล่านั้นรับคาว่าสาธุสาธุว่า ง, งั้นแล้วเนี่ย พระรหัารเหล่านั้นเป็นผู้มีปัญญารักษาตัวเนี่ยนะมีปัญญารักษาตัวก็คือมีอะไรมีปัญญาที่เป็นศาธกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสั ป, ปายะสัมปชัญญะและอสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นอย่างดีและท่านเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะมีอินทรีย์สังวรปิดกัน้นปิดแผลตามไม่ให้บาปแป pp, เปื้อนเข้ามาเป็นต้นเนี่ยนะก็คือรักษาทาวารหได้อย่างดีเยี่ยมพระทหา์เหล่านั้นก็ถือบาจีวร พากันรีบเข้าไปหาพระเถระคำว่าสาธุในพระไตรปิฎกเนี่ยนะตรงนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูสี่ตัวอย่างว่าสาธุในพระไตรปิฎกแปลได้หลายอย่างนะเช่นแปลว่าวอนขอก็ได้แปลว่ารับก็ได้แปลว่าปลอบใจก็ได้แปลว่าดีก็ได้เนี่ยนะเช่นแปลว่าวอนขอขออะไรสาธุเมพันเตพระควาสังคิเตณธรมมังเทเสตุเช่นใครบ้างพระพายะธารุจริยใช่ ไปขอข่าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโดยย่อโปรดข้าพระองค์ด้วยเถิดหรือว่าพระภิกษุอีกหลายรูปเนี่ยนะที่ไปวอนขอไปข อ, ไปขอร้องท่านก็ไปวอนขอไปขอร้องว่าสาธุมีพันเตพระกวาสังกิตเตนะธรรมมังเทเสตุสาธุเนี่ยขอเราขอร้องเธอได้โปรดเธอได้โปรดพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมโปรดข้าพระองค์ด้วยเถิดภาษาทุแปลว่าอะรขอร้องสาธุขอร้องแล้วละ่ะบางทีสาธุแปลว่ารับก็ได้เช่น สาธุพันเตติโคโสพิกุพะคะวะโตภาสิตังอภินันทิตวาอนุโมทิตวาก็เช่นว่าภิกษุรูปนั้นยินเดียอนุโมทนาภาสิทของพระผู้มีพระภาคเจ้าวาดีแล้วพระเจ้าค่ะเช่นนั้นในมหาปุณณะสูตรพระภิกษุรูปหนึ่งท่านถามปัญหาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าสาธุสาธุเสร็จถามต่อไปอีกก็าสาธุตอบสาธุคือตอบดีแล้วแล้วก็ว่าต่อไปเนี่ยนัก็คือรับทราบอย่างที่พระองค์ แสดงมาแล้วก็ตั้งคำถามต่อต่ไปเรื่องนิสาทุแปลว่ารับคำมาสาธุเอารับละบางทีสาทูแปลว่าปลอบใจก็ได้เช่นสาธุสาธุสารีปุตดีละดีละสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะปลอบใจปลอบใจตัวนี้แปลว่าให้กําลังใจก็ได้เนี่ยนะเราเพิ่มพูนกําลังใจบอกสาทูสาธุนะเราให้กําลังใจบางทีก็สาทูแปลว่าดีก็ได้เช่นสาธุธรรมรุจิราชาสาธุปัญญานวานโรสาทุมิตรนมัรม ทุกโภปาปั ส, สาการนังสุขังเขาบอกว่าพระราชาผู้มีใจรักในพระธรรมเนี่ยถือว่าดีพระราชาที่ชอบธรรมะแปลว่าชอบใคร่ครวนเรื่องดีเรื่องชั่วทำทุกอย่างด้วยปัญญาที่วินิจฉัยใคร่ครวนทั้งหมดพระราชาที่ชอบรมประพฤตในธรรมยินดีในการใคร่ครวนอย่างนี้ดีสาธุปัญญานวานโรเบอกว่านรชนผู้มีปัญญาดีก็แปลว่าคนทั่วไปใครคนฉลาดคนนั้นดี สาธุมิตรนามัตทุกโภลบอกว่าผู้ไม่ประทุสร้ายมิตรดีพันก็คือใครที่ไม่กัดหลังเพื่อนเนี่ยนะอันนี้ดีแล้วก็บอกว่าปาปัสาการณงสุ ข, ขังคนที่ไม่ทำบาปเนี่ยสุขคนที่ไม่ทำบาปเนี่ยเป็นสุขคำว่าคำว่าสาธุปแปลว่าดีก็ได้เนี่ยนะ ส่วนในที่นี้สาธุปแปล ว, ว่ารับคําพระพิสูจน์เหล่านั้นพภาษาริบุตรชวนใช่ไหมบอกว่าไปเธอเราไปกราบพระพุทธเจ้าไปไหว้เท้าพระองค์เธอจะได้กําจัดความสงสัยพระพิสูจน์เหล่านั้นก็บอกว่าสาทุ่ก็เปล่ารับรับทรบาบรับไปรับปฏิบัติว่าดีละท่านเหล่านั้นก็นิ ป, ปากาก็คือมีสาทกะสัมปชัญญะเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรถามว่าคุณธรรมข้อปฏิบัติของพระพิสูจนเหล่านั้นท่านเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะ ทันเทหิก็แปลว่าพระพิสูจน์เหล่านั้นผู้มีปัญญารักษาตนสํารวมอินทรีย์รับคำวาสาทุแล้วก็ถือบาจีวรเข้าไปหาพระเถระพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากกับพระขีนาสพทั้งหลายผู้ไร้มนทินผู้ฝึกแล้วเพราะการฝึกอย่างสูงสุดก็พากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยฤทธิ์พระสารีบุตรเจ้าคณะใหญ่อนพิสูจนเหล่านั้นแวดล้อมแล้ว มีลีลาที่งดงามเข้าไปเฝ้าด้วยฤทธนะท้องนภากาศเหมือนเทวดาวางั้นนะเทวดาเฝ้าบนอากาศฉันใดพระภิสูจน์เหล่านั้นก็ไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าเท้าท้าวที่อากาศฉะนั้นพระภิสูจนเหล่านั้นเนี่ยมีมารยาทงดงามงดงามไม่ไอไม่จามมีความเคารพมีความยำเกรงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ดูพระสยามภูผู้นำโลกเหมือนดูดวงอาทิตย์อุไทยในอากาศวางั้น หรือว่าเหมือนกับชมดวงจันทร์ในท้องฟ้าเห็นพระผู้นำโลกเหมือนต้นประทีป ท, ที่ลูกโพลงเหมือนสายฟ้าเล็บในท้องฟ้าเหมือนดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันพิสูจทั้งหมด500รอรูปเห็นพระผู้นำโลกผ่องใสเหมือนห้วงน้ำเหมือนดอกบัวที่บานงามต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจพาการประคองอันชลียหมอบนมสการน่ลักษณะจักของระษาสดา ก็เป็นคำกล่าวชื่นชมพระอริยเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะมีคำหนึ่งที่บอกว่าไปดูพระสยามภูผู้นำโลกใช้คำว่าพระพุทธเจ้าผู้สยามภูปแปลว่าพระองค์นี้มีพุทธภาวะคือทรงบาเพ็ญพระบารมีทั้งหลายบรรลุอริยสัจแทงตลอดอริยสัจแทงตลอดโลกุตรธรรมด้วย พระองค์เองเมื่อพระองค์เห็นอริยสัจเป็นต้นด้วยพระองค์เองเพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่พระองค์สั่งสมมาจึงได้ตรัสรู้อย่างนี้แล้วพระองค์จะอ้างใครอีกเล่าเนี่ยนะจะอ้างใครอีกเล่าเราไม่ต้องอ้างใครเรียกว่าสยามภูผู้ตรัสรู้เองพระพิสูจน์เหล่านั้นเนี่ยนะมีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นหัวหน้าไปถึงก็ทําอัญเชลีเรียกว่ายกมือท่วมหัวหมอบลงแทบฝ่าพระยุคลบาทที่ประดับด้วย จั ก, กรลักษณะเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี้ฝ่าพระบาทเป็นกงจักรแต่ก็มีลายเป็นตารางมีรูปอะไรเล็กๆเรียกว่ามงคลร้อแปดที่อยู่ในฝ่าเท้าของพระองค์เนี่ยนะสิ่งได้ที่เขาเชื่อว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์เครื่องหมายแห่งมงคลสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีลายจักรด้วยที่ระก้มลงกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบัดนี้พระสังฆีติกาจารย์ทั้งหลายเมื่อแสดงนามของพระเถระชื่อของพระเถระแต่ละองค์นะ มาดูว่าในหน้าสิบเอ็ดท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากผู้เสมือนแมน้นดอกงอนไก่ผู้ฉลาดในสมาธิและฌานถวายบังคมพระผู้นําโลกพระสารีบุตรเนี่ยมีผิวเหมือนดอกงอนไก่เนี่ยนะเป็นสีเป็นยังไงว่างๆเอามาให้ดูมั่งกันแล้วกันแดงเรื่อๆใช่ผิวออกแดงเรื่อๆนะพระสารีบุตรมีผิวอย่างนั้นนะนะสาไปถึงนาลากะคามก็ไม่เห็น เพราะว่าพันตรีนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยนะภาษาริบุตรเนี่ยผิวเหมือนดอกงอนไก่พระษาริบุตรเป็นผู้ฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานท่านเหล่านั้นก็ถวายบังคมพระผู้นําโลกพระษาริบุตรไปถึงก็ยกมือท่วมหัวกม้มกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทบเท้าพระมหาโมฆลลานะผู้มีฤทธิ์มากไม่มีใครเสมอด้วยกําลังแห่งฤทธิ์ผู้เสมอเหมือนแมน้น ผิวพันธ์ของพระโมคขาลานะเหมือนดอกบัวคาบเหมือนเมฆฤดูฝนที่คํารามเรียกว่าฤทธิ์อำนาจของท่านเนี่ยเหมือนเมฆในฤดูฝนเหมือนฟ้าคํารามฉะนั้นเนี่ยนะพระโมคขาลานะเนี่ยผงาดอย่างนั้นแหละแต่ว่าผิวของท่านเหมือนดอกบัวคาบดอกบัวคาบเป็นยังไงดอกบัวคาบว่างไงก็ท่านบอกว่ามีอ่าเรียกว่านีลุบมีลุบ ป, ปะละสมะสาธิโส ก, ก็ออกเขียวๆหน่อยนะออกแบบ เขียวๆหน่อยแต่เขียวงามนะไม่ใช่เขียวน่าเกลียดนะส่วนพระมหากระสปะเนี่ยผิวงามกว่าเพื่อนแม้ท่านพระมหากระสปะที่พระศาสดาทรงยกย่องชมเชยสถาปนาว่าเป็นเอตทัคคะเป็นเลิศทางทุดดงคคุณก็เหมือนกับทองที่ผุดขึ้นพระมหากระสปะนี่ผิวเหมือนทองส่วนท่านพระอนุรุทธผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่ผู้เลิศกว่าภิกษุผู้มีทิพจักสุ ผู้เป็นญาติผู้ประเสริฐของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยืนอยู่ไม่ไกลที่จริงแล้วมันเรื่องที่น่าคิดว่าพระอนุรุทธะกับพระอุบาลีเนี่ยตอนนั้นท่านพูดถึงตอนบวชหรือไม่บวชแต่ว่าในอัตฉริยท่านก็บอกว่าถ้าท่านบวชแล้วก็ขัดกับพระวินัยเนี่ยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยพระญาติยังไม่ทันบวชนะพระญาติเช่นอนุรธธุทธะอุบาลีเป็นต้นนี้ยังไม่บวชแต่ว่าท่านอาจจะอยู่ในสถานที่เหล่านั้นด้วยก็ได้ ส่วนพระอุบาลีเถระอันพระศาสดายกย่องสถาปนาเป็นเอตทัคคะในพระวินัยผู้ฉลาดในอาบัติอนาบัติท่านรู้ว่าอาบัติอย่างนี้แก้ไขได้อาบัติอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ท่านผู้สแสวงหาคุณปรากฏชื่อวปุณณะหรือพระปุณณะมันตานีบุตรบุตรของพระมณีชื่อว่ามันตานีผู้แทงตลอดอัถฐอันสุขุมลุ่มลึกเลิศ ก, กว่าพิสุผู้เป็นธรรมกทึก ท่านก็พร้อมด้วยคณะบริวารของท่านพระปุณณะเนี่ยเป็นหลานของพระอัญญาโกณทัญยะพระัญญาโกณทัญยะหลังจากออกพรรษาท่านก็กลับไปสงเคราะห์ญาติไปเอาหลานมาบวชสอนแก็บรรลุมรรคผลเนี่ยนะท่านพระปุณณะเนี่ยเป็นหลานของพระโกณทัญยะเนี่ยนะพระอัญญาโกณทัญยะพระมหาวีระคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ฉลาดในข้ออุปมาผู้ตัดความสงสัยทราบจิตของพิกษุเหล่านั้นก็ตรัสพระพุทธคุณของพระองค์ อันนะ่ะว่าพระองค์นี้มีพระคุณเช่นไรเป็นต้นย้อนอธิบายถอยกลับเล็กน้อยเนี่ยนะว่าพระเระเหล่านั้นน่ยนะยกตัวอย่างภาษารีบุตรภาษาริบุตรเนี่ยในะมีผิวเหมือนกับดอกงอนไก่ภาษาริบุตรเป็นผู้ฉลาดใช่ไหมฉลาดในอะไรเป็นผู้ฉลาดในฉลาดในสมาธิและฌานบรรลุสาวกบารมีเป็นต้น ก็ฉลาดนี่มาจากกุศลศัพท์เนี่ยนะฉลาดกุศลสัพท์ก็ขยายอัดไปพระโมคคลาณะสีเหมือนดอกบัวขาบส่วนพระมหากัสโปปิจักกัสโปปิจักก็คือท่านพระมหากัสปะนั้นที่จริงในสมัยพุทธกาลกัสปะมีหลายท่านเช่นอุรุเวลกัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะกุมารกัสปะเป็นกัสปะรุ่นน้องๆไปอีกนะพระกัสปะรูปนี้หมายเอามหาใหญ่กว่าเพื่อนในบรรดากัสปะทุกองเนี่ยนะ ก็เลยเรียกว่าพระมาหากระสปะพระมาหากระสปะนั้นมีผิวพันธุ์ละไม้คล้ายกับทองที่ร้อนละลายทองที่ร้อนละลายเหมือ น, นะท่านเป็นทุตะคุณเีเรียกว่าเลิศทางทุดงทุตะเนี่ยแปล ว, ว่ากำจัดกิเลสเนี่ยนะทุตะปแปล ว, ว่าเครื่องกำจัดกิเลสธรรมะกำจัดกิเลสชื่อว่าทุตะคุณคุณธรรมที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสออกไปทุตะธรรมเนี่ย น, นะมีอยู่หประการที่เป็นบริวารของทุดงเจตนา เพราะว่าคนที่มีเจตนารักษาทุดงจริงเนี่ยจะเป็นคนมักน้อยอภิชาตาอภิจัต ช, าชาตาเนี่ยนะคือเป็นผู้มักน้อยสันตุิตาเป็นผู้ที่มีความสันโดษสันเลขตาขัดเกลาวปวิเวกกตาเป็นผู้ที่สงัดหรือวิเวกอิทามัติติกตาผู้ที่รู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้เรียกว่าทุตะธรรมทุตะธรรมพระมหากษัตริยเนี่ยเลิศในทาง รักษาทุดงขจจเจตนากล่าวถึงสรนเสริญความมักน้อยความสันโดษความขัดกล่าววิเวกแล้วก็ว่ารู้อะไรนี่มีประโยชน์หรืออีกในหนึ่งพระมหากระสปะในชื่อวัตุตะวัฏะเพราะคําพูดของท่านทุกคํำมุ่งไปเพื่อกําจัดกิเลสเนี่ยนะพระมหากระสปะนั้นพระพุทธเจ้าเลิศตรัสว่าเลิศกว่าภิกษุผู้เป็นสาวกของพระองค์ทางทุดงเนี่ยนะทางทุดงแต่ว่าอักคะเนี่ยนะเช่นว่าอะไรนะ เอตัทคะเนี่ยมาจากเอตะบวกอัคะเนี่ยอัคะตัวนั้นเนี่ยแปลได้หลายอย่างเช่นแปลว่าเป็นต้นก็ได้แปลว่าเป็นต้นก็ได้แปลว่าปลายก็ได้แปลว่าส่วนก็ได้แปลว่าประเสริฐสุดก็ได้แต่ในที่นี้แปลว่าประเสริฐสุดเนี่ยนะว่าพระมหากัะสปาานี้ประเสริฐที่สุดในมังูพระพิสุทิที่รักษาทุดงทั้งหมด ทีนี้หลายแห่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระมหากสปะอย่างเช่นในกัสปะสังยุตสังยุงยตานิการนิธานาวควาดูก่อนพิสูจทั้งหลายกสปะนี้ไม่กำเริบกายไม่กำเริบจิตทำตัวเป็นผู้ใหม่อยู่เนืองนิดไม่ขนองในตระกูลทั้งหลายเวลาเข้าไปสู่ตระกูลเนี่ยนะท่านอยู่เกี่ยวพันกับตระกูลเหล่านั้นถึงจะนานขนาดไหนท่านทำตัวเหมือนท่านเพิ่งเข้าบ้านนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยนะท่านพระมหากสปะท่านเป็นอย่างนั้นเรียกว่าจันทูปโมเรีว่าทำตัวเหมือนพระจันทร์ พระจันทร์นี่เคยไหมพระจันทร์ทำตัวคุ้นเคยกับอะไรมีไหมนี้เนี่ยพระจันทร์ฉันใดพระหมากสปะก็ฉันนั้นท่านไม่คุ้นเคยแต่ท่านก็จากไปด้วยดีเหมือนกันส่วนพระอนุรุทธะอนุรุทธะคือใครอนุรุทธะท่านบอกว่าที่พจักสุมีอยู่แก่ภิกษุเหล่าใดภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าผู้มีที่พระจักสุท่านพระอนุรุทธะเป็นผู้เลิศประเสริฐสุดแห่งภิกษุทั้งหลายผู้มี ที่พระจักสุเหล่านั้นเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอนุรุทะเป็นยอดของพิสูจนสาวกของเราผู้มีที่พจักสุท่านพระอนุรุทธะนั้นเป็นโอรสของพระเจ้าอามิโตทนะสกยะเนี่ยนะเขมีอะไรสุดโททนะอมิโตทนะก็มีโอหลายหลโอธนะเนี่ยนะหลายๆโอธนะด้วยกันเนี่ยน ะ, ะพระเจ้าอามิโตทนะนี่ถือว่าเป็นอาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระกนิตะพาดาของ พระนุรุธาเนี่ยเป็นน้องน้องของพระเจ้ามหานามสกยะเป็นผู้มีบุญมากเป็นสุขุมารชาติอย่างยิ่งบุญมากแต่ว่าเกิดมาแทบไม่เคยทําอะไรเลยนะบุญมากเนี่ยนะพนะอบอกว่าทํานาให้นะั้นละบวชเลยกษัตริย์โบราณนี่เขาทานาใชนะก็ต้องมีเช่นมีพิธีมงคลแรกนาะขัญเขามีอะไรตั้งหลายอย่างนะพอบอกว่าพี่ชายเบอกอา้าวถ้าเธอไม่บวชเธอว่าทํานาบอกทํานาทำยังไงบ้างก็เล่ารยยายละเอียดวิธีการทํานาให้ฟังบอกว่า อยหม่อมชันเป็นสุคมาราชาติบวชดีกว่าเนี่ยนะนั่นก็เก่งนะภายในภรษาก็บรรลุแล้วเนี่ยนะท่านท่านเป็นคนที่เจดในที่ออกจากเรือนบวชกับใครบ้างพระ อ, อนนท์พระอุบาลีเป็นต้นนีที่บวชพร้อมกันส่วนพระอุบาลีนั้นอาปัฏิยาอานาปฏิยาคือผู้ฉลาดในอาบัตและอนาบัตคือฉลาดว่าเออถ้าอย่างนี้เป็นอาบัติถ้าอย่างนี้ไม่เป็นอาบัตถ้าเป็นอาบัตและอาบัตนี้ทําคือได้ อาบัตินี้ทําคืนไม่ได้เรียกว่าสเตกิจชายะอาเตกิจชายะอาบัตินี้ทําคืนได้อาบัตินี้ทําคืนไม่ได้อย่างเช่นทว่าอาบัติปราชิกเนี่ยศึกอย่างเดียวจึงจะทำคืนเหมือนกั น, นแต่ว่าสรุปว่าทําคืนไม่ได้เพราะดํารงอยู่ในภาวะแห่งพระพิสุตต่อไปอีกไม่ได้เป็นสัมมเนนเป็นอะไรตามๆลงไปได้ส่วนอาบัติสังขาริเศทุรจัยปฏิเทศนิยะปัจจิตีทุกกฎทุกภาสิทธ่าย่างนี้ก็สแสดงคืนได้สังขารทิเศตก็สแสดงด้วยการอยู่ปริวาสเป็นต้น พระอุบาลีนี้เป็นเลิศทางผู้ทรงพระวินัยเนี่ยนะเพราะว่าพระอุบาลีเถระเรียนวินัยปิฎกในสำนักของพระตถาคตเท่านั้นก็เรียนสามารถวินิจฉัยอะไรหลายๆเรื่องได้โดยที่วินิจฉัยได้เสมอกับพระพุทธเจ้าเช่นในเรื่องพาลุกัจฉกวัตถุอจุัจฉกวัตถุกุมารกัสปะวัตถุท่านวินิจฉัยปัญหาทางพระวินัยได้เทียบเท่ากับพระสัพพัญยุตยาน องก็เลยยกย่องว่าเลิศทางพระวินยัยแล้วก็พระนรุธานท่านก็เก่งจริงๆนะบอกว่าวินัยคือชีวิตของท่านนั่นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทําอะไรคิดถึงแต่วินัยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเลิศทางพระวินยัยจริงๆนะเขคิดวินัยมากขนาดนั้นก็น่าจะให้เลิศทางพระวินัยเลยแหละต่อไปส่วนพระปุณณามนตานีบุตรเขาบอกว่าสุขุมะนิปุณณ ะ, ะปฏิวิโธแปลว่าผู้แทงตลอดผู้รู้ตลอดซึ่งอัฏอันสุ ข, ขุมละเอียดอธิบายว่า ผู้รู้ตลอดซึ่งอัฏถะอันละเอียดที่เห็นได้ยากเช่นอะไรเช่นมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานะทัสนะเนื้อหาที่ละเอียดลึกซึ้งท่านสามารถเอามาสแสดงมาจำแนกประกาศแต่งตั้งเปิดเผยตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำน่นะบทว่ากติกานังตวโรได้แก่ผู้ประเสริฐสุดกว่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกนั้นสมัยพุทธกาลผู้ที่เป็น ธรรมกถึกผู้ที่แสดงธรรมนั้นถือว่าพระพระอะไรพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยเป็นเลิศที่พระองค์ตรัสว่าดูความพิสูจนทั้งหลายปุณณมันตานีบุตรเลิศกว่าพิสูจสาวกของเราผู้เป็นพระธรรมกถึกเนี่ยนะผู้ธรรมกถึกก็คือผู้ที่แสดงธรรมประกาศธรรมเล่ากันว่ากุากลบุตรที่บวชในสำนักทัติระเนี่ยนะคือลูกศิษย์ของพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยมีประมาณ500รรูปทุกรูปเป็นชาวแว่นแคว้น ปัจชาภูมิก็คือเป็นพระพิสุที่อยู่ในแคว้นของพระพุทธเจ้านะชาวปัจชาภูมิก็คือแคว้นสักกะนั่นแหละเพราะเป็นชาติตุภูมิของพระทศพลทุกรูปเป็นพระขีนาศพทุกองค์ เ, เป็นระาวหันและทุกองค์เนี่ยนะได้กถาวัตถุสิบด้วยทุกคนเนี่ยสันเสริญเรื่องความมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียนวิเวกเนี่ยนะศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยาทัทสนะ พระเทระเหล่านั้นเนี่ยนะชื่อว่าอิเสหรือฤษีแปลว่าผู้สแสวงหากุศลธรรมนะสแสวงหาคุณงามความดีให้แก่ตัวเองและสัตว์ทั้งหลายวิสุโตก็คือมีชื่อเสียงทางคุณธรรมเป็นผู้มักน้อยเป็นต้นของตนเองและท่านก็เป็นผู้มักน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านศัก์ว่าแต่เทศเทเฉย ๆ, ๆ, ๆฝ่ายท่านพระัญยาโกณธัญะญเมื่อพระาศาสดาบรรุ อภิสัมโภธิยานประกาศธรรมจักอันประเสริฐเสด็จมาตามลำดับทรงอาศัยอยู่ในกรุงราชเครื่ตามลำดับส่วนฝ่ายพระอัญญากลธัญญะก็กลับไปยังกรุงกบิลพัทบวชมานบชวปุณณะหลานชายของตนแล้วก็ถวายบังคมทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยตนเองก็ไปยังสะชัดทันเนี่ยนะเพื่ออยู่ประจําหมายความว่าพระอัญญากลทัญญาเนี่ยนะหลังจากทรงเคราะห์หลานทรงเคราะห์ อ, อะไรได้แล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งว่ายากมาก ในที่สุดท่านก็เบื่อบอกไปอยู่ป่าก็ได้ท่านก็ไปอยู่ในสระฉัตรทันให้ช้างอุปถากนั่นแหะส่วนท่านพระปุณณนะก็มาพร้อมกับพระเถระเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคิดว่าเราจับทา ก, ทกิจของผู้บวชให้เสร็จก่อนแล้วก็จับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แปลว่าท่านเป็นพระทหารและเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระปุณณะมนตานีบุตรเนี่ยนะหลวงลุงคือพระัญญาโกณทันยะปล่อยเอาไว้ในกรุงกบิลพัดท่านก็ทําโยนิโสมนสิการใส่ใจ ที่จรณาอาริยศาสตร์ไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนหลังก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระอนุรุทธะพระอุบาลีเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้ากล่าวตามพุทธวงศ์เนี่ยดูจะแย้งกับกับพระวินยัยถ้ากล่าวตามวินัยก็จะดูแย้งกับพุทธวงศ์เพราะฉะนั้นอัตถกถาท่านบอกไม่วิจารณ์ก็ไศึกษาเอากันแล้วกันท่านจะไม่ออกความเห็นเลยเนี่ยนะแสดงว่าท่านกลัวจะเข้าเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งท่านจะไม่พูดอะไรทั้งนั้น ทานก็ท่านก็นบอกว่าสอบสวนเอาเถิดแปลว่าถ่านเราไม่ไม่รู้จะเอาอยัางไงเหมือนกันเดี๋ยวพักสักครู่แล้วค่อยกล่าวว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรเมื่อพระพิสุเหล่านั้นมาประชุมกัน